อรุณสวัสดิค์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคะ่ะซึ่งก็ออกอากาศจากกรุงเทพมหานครนะคะด้วยขนาดคลื่นทั้ง AMFM พร้อมกันแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของเราเป็นจํานวนเกินกว่าครึ่งนะคะแล้วก็เกือบจะทั่วประเทศทีเดียวที่รับสัญญาณรายการธรรมารับอรุณนี้นะคะเราพบกันในเช้าวันนี้นะคะเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่25้า มีนาคมค่ะก็เป็นวันอาทิตย์จะเรียกว่าสุดท้ายของเดือนมีนาคมก็ได้นะคะวันนี้เป็นวันขึ้นสามข้ามเดือนห้าปีเถาะนะคะคก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบน้ำมัสการพระอาจารย์ไพบูตรอภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไฮโซ ตั้งอยู่ที่ตำบล ด, ดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันเลยนะคะเช้าวันนี้เรามีเรื่องที่จะสนทนาเป็นความรู้แก่ท่านผู้ฟัง อ, อย่างดีเหมือนเช่นเคยนี้กลับมาสนทนากับท่านนะคะกราบนมพักการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาาสาธุเจ้าค่ะเช้าวันนี้โยมอยากหยิบยกเรื่องหนึ่งนะเจ้าค่ะมามาเรียนกับเรียนถามพระอาจารย์ก็คือเรื่องของของจิต วิญญาณเนี่ยเจ้าค่ะเพราะว่ายังเกิดความรู้สึกแม้แต่โยมเองนะเจ้าค่ะก็ยังมีจิตใจแบบสับสนอยู่ก็คือเรื่องอย่างว่า เราจะได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อยๆเลยว่าสิ่งที่โยมหรือว่าอาจจะมีท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านกลัวอยู่ว่าคือเรื่องของวิญญาณเนี่ยจ้าค่ะกูง่ายๆก็คือผีนี่เองนะจ้าค่ะทีนี้เนี่ยก็คือหลายคนก็บอกว่าวิญญาณหรือว่าผีนี่ก็คือจิตของมนุษย์เรานี่แหละที่ว่าพอพอออกจากร่างไปแล้วนี่มันก็เหมือนไม่ได้ไปผุดไปเกิดก็จะเลยล่องลอยอยู่หลอกหลอนอะไรเนี้ยนะจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วก็ก็ยังมีหนังผีด้วยนะใช่เจ้าค่ะก็คอยเตือนเราอยู่เรื่อยเลยว่ามันจะมีจริงลุกล สาวเนี่ยเจ้าค่ะแม้บางคนไม่เคยเห็นเลยอย่างนี้เจ้าค่ะก็ยังกลัวยมเองก็่งกลัวเด็กเด็กนี่เขากลัวกันมากเลยนะคุณแตงจักรถ้าหกขวบเนี่ยโหได้รับการ ปลูกฝังว่าผีมีจริงก็ต้องกลัวอะไรอย่างนี้นะใช่ค่ะโยมก็กลัวเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยมีนิดนึงก็เลยอยากจะให้พระอาจารย์เนี่ยได้เมตตาที่จะสักษาหรือวิสนทธนาธรรมในวันนี้นะเจ้าค่ะเพราะว่าบางทีเราเราจะได้ยินมาว่าพอเราคนเราพอสิ้นชีวิตไปเนี่ยละ<ๆ>ออกจากร่างเนี้ยว่าอย่างนั้นจิตเราอะเจ้าค่ะก็จะหลุดหลุดออกไปจากร่างของเราตอนนี้มันพอจิตหลุดออกไปเนี่ยมันกลายเป็นผีไปเลยในความคิดของพวกเรานะเจ้าค่ะทีนี้ใหญ่จะขอให้พระอาจารย์อธิบายตรงนี้ให้ให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับ ทราบสักนิดหนึ่งนะจะได้เข้าใจได้ถูกต้องใ น, น, นเจ้าคนิมนต์เจ้าค่ะมีมีอดีตข้าราชการคนหนึ่งใจเข้ามาปฏิบัติธรรมที่วัดเจ้าค่ะเเป็นข้าราชการบำนาญเนี่ยหมะเจ้าค่ะยุ70เ5แล้วนะเจ้าค่ะเขาบอกตั้งแต่เขาเกิดมาเนี่ยเขาเขากลัวผีเจ้าค่ะเขามาปฏิบัติธรรมที่วันที่เขาก็กลัวผีขเขาก็เลยมาปรึกษาหลวงพ่อกับปรึกษาทาวาเอ้กระไงเียก็กลัวผีมากๆเลยเจ้าค่ะอ่าเราก็บอกอางั้นคุณก็ไปนั่งสมาธิก่อนนะเจ้าค่ะทไปทาไปปฏิบัติไปปฏิบั อยู่วันวันหนึ่งเขาก็มาหาช่วงวันท้ายๆเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยอาจารย์ผมน่าไปนั่งสมาธิอยู่ผมมาคิดดูว่าผมนี่ก็เจ็ดสิบห้าแล้วนะมันใกล้จะเป็นผีเต็มทีแล้วเราจะมากลัวผีอะไรวางได้วางได้ออืเขาก็ไม่กลัวผีกออืั็คือผีเนี่ยมันคืออะไรเวลาที่เขาโกรวเขาโกรวความมืด กลัวอะไรที่มันมืดๆเสียงอะไรที่เขาไม่คุ้นเคยเสียงใบไม้ตกกิ่งไม้ตกลงมาก็คิดว่ามีผีหรือสัตว์มันเดินในที่มืดอย่างเงี้ยเราก็กลัวไปเอง่หรือว่าหมาบางทีมันมันมาจากหมู่บ้านมันมาเดินหาคั่วหาอะไรกินของมันเราก็กลัวก็แก่กลายเป็นเรานึกไปเองแล้วผีนี่ก็คือไอ้ไอ้ที่เรานึกไปเองแต่นี่คือที่เขากลัวเขาคิดได้ แต่ที่เห็นจริงๆก็มีนะเจ้าค่ะก็มีนั้นคือเราต้ใช้คําพูดที่ให้ถูกนิดนึงค่ะแต่ว่าพระพุทธเจ้าเคยพูดถึงเรื่องนี้แต่พูดถึงตอนที่มีพระภิกษุถูกผีสิงเจ้าค่ะภิกษุเนี่ยถ้าถูกผีสิงเนี่ยกิจกรรมอะไรต่างๆก็ต้องหยุดไว้ไปรักษาภิกษุผู้นี้ก่อนสมมพระจะมีทุก15วันเงี้ยก็จะมีการสวดปฏิโมยกันจะต้องมาประชุมกันรับฟังสิ่งที่เป็นวินัยที่พรุทธเจ้าประกาศเอาไว้ในระหว่างกิจกรรมนี้ก็จะยาวประมาณ1ชั่วโมง แต่ที่ต่อเนื่องกันไม่มีการหยุดทุกคนต้องนิ่งเงียบหมดจกค่ะแต่ถ้ามีผีสิงแล้วต้องหยุดแล้วก็แก้ไขตรงนั้นก่อนอก็เลยเป็นเหตุให้ไปดูในภาษาบาลีก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าใช้คําว่าอะมนุษย์อะมนุษยนะอมนุษย์ก็คือสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์นะจกค่ะอ่าคือสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์มันก็มีหลายอย่างสาัตว์เดรัจฉานก็ไม่ใช่มนุษย์อ่านอนไส้เดือนพวกนี้ก็ไม่ใช่มนุษย์จกค่ะแล้วก็ยังมีสิ่งที่เราไม่เห็นอีกหลายอย่างพวกกายทิพเทวดา พวกเปรตพวกอสุรกายพวกนี้ก็มีกายทิพย์ทั้งนั้นอ<ช>ยาก<ะ>พวกนี้ก็มีกายทิพย์ทั้งนั้นซึ่งถามว่าพวกเนี้ยเราเราไม่เคยเห็นด้วยตาเปล่าเราเราเห็นไม่ได้ที<ช> น, นี้คนที่เห็นไม่ได้เขาก็เลยคิดว่ามันไม่มนะีซึ่งเราจะต้องเข้าใจให้ถูกนิดหนึ่งว่าไอ้ที่คุณไม่เห็นมันอาจจะไม่ใช่ว่ามันอาจจะไม่มี อ, อย่างอ<ช><ช>ย่า ง, าางเรานั่งฟังรายการวิทยุอยู่อย่างเงี้ยคุณรับคลื่นวิทยุได้เนี่ยแต่คุณไม่เห็นคลื่นวิทยุนะว่ามันมีที่ไหน จนกระทั่งคุณเอาวิทยุมาตั้งจูนขึ้นให้ตรงมีเสียงเออกมาอ๋อคลื่นวิทยุตรงนี้มีจริงๆนะหรือว่าโทรศัพท์มือถือคุณต้องเห็นไอระดับมิเตอร์ว่ามันมีคลื่นหรือไม่มีคลื่นอย่างเงโดยที่ตาเปล่าเราไม่เห็นเราไม่เห็นไม่ได้หมายความไม่มีเแต่เมื่อเราก็ต้องอาศัยคนที่เขาเห็นมีเครื่องรู้เห็นมีความสามารถในการที่จะเห็นตรงนี้ใครเก่งที่สุดนั่นก็คือสมณโคดมพระพุทธเจ้าของเราในสมัยนี้พรุทธเจ้าก็จึงพูดถึงว่าไอสิ่งมีชื่อื่นๆ ที่ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยมีอยู่ที่ที่มนุษย์ไม่สามารถเห็นด้วยตาคือพระองค์ทร ง, งยืนยันว่ามีอยู่จริงเพราะพระองค์เห็นทอดไปนเนตึกเต่าเรื่องนี้ก็เคยมีอมีครั้งหนึ่งที่ท่านพระมหาโมคะนะนะที่เป็นพระที่มีฤทธิ์มากเนี่ยท่านไปเห็นไปเห็นเสร็จแล้วก็เลยมาเล่าให้พระพรุทธเจ้าของเราฟังพรอเราให้ฟังเสร็จปบพระพรุทธเจ้าอ๋ดีมากดีมา ก, ด, มากดีแล้วโมคะนะเราก็เห็นเหมือนกันแต่เราไม่พูดตั้งแต่แรกนะเพราะว่ากลัวคน่นเขาว่าว่าอ พะเจาจะใช้บทเพลงชนะที่เรียกว่ากลัวคนอื่นจะไม่เชื่อจุค่ะแต่แล้วก็ถ้าพูดสมัยนี้คือเขาจะหาว่าเราบ้าน ะ, ะถ้าเราไปพูดสิ่งที่เราเห็นแล้วคนอื่นก็ไม่เห็นไม่สใช่พิสูจน์ได้จุค่ะแล้วพอคนอื่นเขาไม่รู้เขาจะว่าเราต่างๆนานาล้วก็นิ่งซะดีกว่าจุค่ะในลนนักษณะนี้ซึ่งพอมีคนมายืนยันว่าเห็นเหมือนกันเนี่ยพระเจ้าจึงบัญญัติไว้อย่างละเอียดแต่สวรรค์มีกี่ชั้นนรกมีกี่ชั้นเปรตมีกี่แบบอสุรกายมีกี่แบบแล้วก็พวกยักษ์มีกี่แบบ เทวดาชั้นไหนเป็นยังไงบ้างมีความเป็นอยู่เป็นยังไงพวกนี้พูดละเอียดไว้หมดเลยจุคาพวกนี้คืออามนุษย์ทั้งสิน้นหมายถึงว่าพวกที่ไกาทิพย์ที่เราไม่เห็นนะจุคานี่คือในความหมายของของเรื่องของผีจุคาเราก็ต้องใช้คําว่าอมนุษย์ที่ประเา้าใช้ทีนี้เรื่องของอการปรากฏตัวของสิ่งเหล่านี้ก็มีได้จุคถ้าเขามีอยู่ในการปรากฏตัวเขาเป็นไปได้แน่นอนจุคาเข้าใจไหบางทีเราก็เห็นอย่างสุนัขอย่างเงี้ยมันสายตามันจะ เห็นสิ่งที่คนไม่เห็นได้ในที่มืดๆเนี่ยเรามองไม่เห็นอะไรแต่หูหมามันเดินไปเฉยอืหรือว่ามนุษย์เนี่ยหูเราไม่ได้ยินเสียงที่ต่ํากว่า20เฮิร์แล้วก็สูงกว่า 20,000 เฮิร์สใช่ไหมแต่สุนัขนี่มันได้ยินทุกคลื่นอย่ากว้างมากเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ยินเสียงที่เราเราไม่ได้ยินเไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ก็เป็นอย่า ง, างนี้บางทีมันก็ปรากฏให้เห็นแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่เห็นเราก็ยังมีเครื่องมือวัดใช่ไหแล้วก็รู้ได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นบางทีเรารู้ได้ นคนที่รู้ได้มนุษย์มีไหมมีนะเมื่อจิตคุณเป็นสมาธิถึงระดับหนึ่งพอ <Okay. S 1> จิตคุณเป็นสมาธิถึงระดับหนึ่งเนี่ยคุณสามารถเห็นสิ่งที่ละเอียดลงไปได้ออื okay. เอายกตัวอย่างง่ายๆคุณตื่นใจเวลาเราไปฟังดนตรีอย่างเงี้ยดนตรีจะเป็นสมัยใหม่เขาจะมีเครื่องดนตรีเช่นเบสกีตาร์ไวโอลินเอาไวโอลินไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไร เปียโนอ่าอิเล็กทรอนพวกนี้นะแล้วก็นักร้องเรายังแค่หลับตาแล้วเราพยายามจะแยกแนะว่าอ๋อเราจะฟังแต่เสียงกีต้าอย่างเดียวเราเป็นคนตีกลองใช่ไหแต่เสียงกลองอย่างเดียวเรายังทําได้อแค่อสายหลับตานิดหนึ่งหรือลืมตาแล้วเราตั้งจิตนิ่งๆเนี่ยเราจะแยกฟังนะเราจะแยกแยะฟังได้ซึ่งไม่มีเครื่องมือในคือคือเครื่อง ครื่องอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เนี่ยพอเขารับฟังมาเป็นเครื่นเดียวใช่ไหมเขาต้องมาแยกสเปกตรัมแยกนะว่าอันนี้เป็นครื่องนตีชนิดนี้เครื่องดนตีชนนั้นมันแยกไม่ได้หมดไม่ได้เหมือนเปะ๊ะมไม่เหมือนหูของเราเ อ, อ ไ, มไม่เหมือนจิตของเราจิตของเราเนี่ยแยกได้ดีกว่าและเพื่อให้บ่งบอกถึงความละเอียดของจิตของเราที่จะไปรับรู้สิ่ง น, นี้ได้เพียงแต่ว่าเราถูกเขาเรียกว่าครอบงำเขาเรียกว่าท่วมท้นดีกว่าท<จ>่วมท้นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เรารับอยู่ตอนนี้ พอแค่ออกไปตามถนนนี่ยมาไม่ได้มากรุงเทพนานๆเนี่ยเพามาทีหนึ่งโอ้ทําไมป้ายโฆษณามันเยอะแยะมากมายขนาดนี้มันเหมือนท่วมท้นมาเลยตาของเราเนี่ยปุบดึงฉีกเละเทะไปหมดถ้าคนคไม่ศึสษาสังรวมรายการทางทีวีโอ้โหมีสีสันตูวิ่งข้างล่างตูวิ่งข้างบนแถบนั้นเปลี่ยนแปลงไปโอ้ยเยอะแยะไปหมดเราก็จึงถูกท่วมท้นด้วยสิ่งเหล่านี้ทําให้เราถูกปกปิดจากสิ่งข้างในนันนี่คือประเด็นหนึ่งทีนี้เรื่องของสิ่งนั้นมีแน่นะเราเห็นได้ นะถ้าด้วยเหตุปัจจัยที่ถูกต้องเครื่องวัดต่างๆก็อย่างที่เปรียบเทียบให้ฟังทีนี้ไอ้ความเชื่อที่ว่าวิญญาณของคนตายไปแล้วออกจากร่างนะทำไมไม่ไปเกิดไปเกิดอันนี้มันเป็นยังไงจุกค่ะอันนี้เราต้องทําความเข้าใจเรื่องของคําว่าวิญญาณให้ถูกต้องนิดนึงก่อนก็มีครั้งหนึ่งที่ภิกษุรูปหนึ่งชื่อสาติจุกค่ะนะสาติเขาก็ไปคุยกับพระพุทธเจ้าแล้วบอกว่าเอาละข้ารูเข้าใจอย่างนี้ว่าวิญ ญ, ญาณเนี่แหละเป็นผู้ที่ท่องททเที่ยวไปใน ในลสสบสสารวัตรตายแล้วก็ไปเกิดชาตินี้ชาตินี้แต่แล้วก็ไปเกิดชาตินึงอย่างเงี้ยนะพระเจ้าก็พูดขึ้นมาบอกว่าเราไม่เคยสอน<ม>เราไม่เคยพูดอย่างนี้ออแล้วก็พยายามที่จะไปถามภิกษุรูปื่นไหนใครบอกมาสิเราเคยมีใครพูดอย่างนี้ไหมเราเคยพูดอย่างนี้ไหมก็ได้รับคำตอบว่าพราะองค์ไม่เคยพูดอย่างนี้อืเพราะอาจมาอ่านมาถึงพระสูตรนี้เนี่ยตอนที่เราเริ่มศึกษาขั้นแรกๆนะครับผมจันเราก็งงอ้าวแล้วที่พระเจ้าไปเกิดเป็นชาตินั้นชาตินี้ นั่นอะไรอล้วทำไมผู้เช้าบอกว่าพอไม่เคยพูดไม่เคยตรัสเอ่อทำไมบอกว่าตายแล้วไปเกิดหมายความว่าวิญญาณเนี่ยเป็นผู้ท่องเที่ยวไปเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เป็นพุทธศานาจุกค่ะผู้เช้าจะพูดแต่ว่าวิญญาณเนี่ยเป็นธรรมที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเป็นของเกิดดับอเป็นของเกิดดับเข้าใจไหมเป็นของอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเอ่อถ้าถ้าเราเข้าใจว่าวิญญาณนะเป็นผู้ที่ท่องเที่ยวไปจากอันนี้ไปอันนู้นจากอันนี้ไปอันนู้นเนี่ยมันก็จะไม่จบไม่สิ้น แต่พระเจ้าบัญญัติความดับเอาไว้มีอยู่แต่เพื่อจึงต้องบอกว่าวิญญาณเนี่ยเป็นของเกิดดับยอมรับอยู่ว่าพระองค์เนี่ยมีพบชาติมาแล้วอย่างนับไม่ถ้วนแต่ความดับของมันมีได้ไหมได้เพราะอาศัยความดับของสังขารสังขารดับวิญญาณก็ดับอย่างนี้นะจึงจึงบอกว่าวิญญาณเนี่ยเป็นของที่เกิดได้ดับได้เป็นขอนที่เปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยได้แนะไม่ใช่ว่าล่องลอยไปตามอย่างไรเหตุไรปัจจัยออืแต่า มีความเปลี่ยนแปลงไปได้ตามเหตุปัจจัยของมันอันนี้หมายความว่าตามสิ่งที่เวลาคนนั้นที่มีชีวิตอยู่เนี่ยได้ทําสิ่งที่ดีหรือชั่วใช่ไหมเจ้าคะหรือว่ า, า ป, รประพฤติประดัติอย่างไรจิตวิ ญ, ญญาณก็จะน้อมไปทางนั้นเจ้าค่ะทีนี้อันนี้ยังไม่ได้อธิบายถึงกระบวนการที่ว่าแล้วเราไปเกิดได้ยังไงเจา้าคะหรือว่าเราตายได้ยังไงหลายคนอาจจะสงสัยเจ้าคะทีนี้อันนี้พูดถึงแค่ว่าในพระสูตที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับพิสุสาตีเนี่ยแค่พูดถึงความว่าวิญญาณเนี่ยมันเป็นของเกิดดับ ไม่ใช่เป็นของที่ล่องลอยไปนะต้องทําความเข้าใจให้ถูกว่าวิญญาณไม่ใช่เป็นของที่ล่องลอยไปแต่เป็นของที่เกิดดับเข้าใจนะเพราะไอ้ที่เห็นวิญญาณลอยไปอะไรอันนั้นไม่ใช่ันนั้นคือทําให้เราเข้าใจว่าอ๋อวิญญาณในคําที่พระเจ้าสอนเนี่ยกับวิญญาณที่ความเข้าใจของคนไทยเราณปัจจุบันนี้ก็ตามเนี่ยเป็นคําที่พ้องรูปกันแล้วก็พ้องเสียงด้วยแต่คนละความหมายอืมเจ้าค่ะวิญญาณที่พระเจ้าพูดถึงเนี่ยคือการที่เกิดดับของสิ่งที่เราเข้าไปรับรู้ วิญญาณแปลว่าความรับรู้การรับรู้ได้มีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นเรียกว่าวิญญาณฟังให้ดีครั้งหนึ่งวิญญาณแปลว่าการรับรู้ไอ้ที่ลอยไปลอยมาอันนอาตมาไม่ทราบว่าเป็นอะไรมันอาจจะเป็นเป็นกายทิพย์ของใครสักคนใดคนหนึ่งนะถ้าคุณมีเครื่องรู้นะอาจจะเป็นกายทิพย์อันนั้นก็เป็นเป็นแค่กายไม่ใช่วิญญาณใช่ไหมเป็นแค่กาย แต่จิตของคุณไปทําหน้าที่วิญญาณคือการรับรู้ในกายทิพนั้นถูกค่ะพูดอีกครั้งหนึ่งที่ลอยไปลอยมาเนี่ยไม่ใช่วิญญาณนะสมมติว่าเป็นเทวดาจริงหรือเป็นผีจริงหรือเป็นเปรตจริงลอยไปลอยมาเราเห็นเห็นปุ๊บเนี่ยตอนนั้นไม่ใช่วิญญาณเราต้องเร่งให้ถูกว่าสิ่งนั้นเป็นเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งถูกค่ะจิตของเราไปทําหน้าที่รับรู้จิตของเราไปทําหน้าที่วิญญาณในสิ่งนั้นรับรู้ไปวิญญาณแต่เราต้องพูดให้ถูก วิญญาณคือการรับรู้ถูกต้องวิญญาณคือการรับรู้นะสิ่งที่เราบอกว่าลอยไปลอยมาอันนั้นเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งถ้ามันเป็นจริงนะตัวอย่างทีนี้พอเราเข้าใจเรื่องของอตัวปดคือบทเพนชนะความหมายถูกต้องแล้วเนี่ยเราจะมาวิเคราะห์ได้ตรงนี้ว่าอวิญญาณที่ที่แปลว่าการรับรู้เนี่ยมันเป็นของเกิดดับออืแล้วกระบวนการเกิดกระบวนการตายของคนเป็นยังไงแล้วก็กายของเราเนี่ยมันมัน อาศัยกันอยู่ด้วยธาตุสีใช่ไหมคือคือทุกคนทราบนะคุณตือนใจว่าเรามีกายกับเรามีใจคือใจของคุณกายกายของคุณเนี่ยมันกูลานกันเข้าใจเข้าใจเนาะคิดว่าทุกคนคงทราบอยู่ค่ืะก็คือเรามีทั้งร่างกายที่ว่าเป็นเจ้าค่ะแล้วก็ส่วนที่เป็นใจเจ้าค่ะเราจะเห็นสังเกตได้เจ้าชายนิตราก็มีเจ้าหญิงนิตราก็มีมันก็มีแต่กายแต่ใจก็ไม่รู้ไปไหนจากโรงพยาบาลต่างๆแสดงว่าต้องมีทั้งกายและใจแต่คนที่ตายไปแล้วเราเอามีดไปจิ้มท้องเขาเขาก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะเขาไม่มีใจ จ้าใจของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันตอบสนองและเสียงตามไม่เหมือนกันนะพอดีพอเรามีกายเรามีใจแล้วเนี่ยกายเนี่ยจะเป็นที่เก้าลงของของจิตพระเจ้าใช้ก็บอกว่าพระเจ้าบอกว่าไอ้กายนี่คือรูปเนี่ยนะจะเป็นฐานที่ตั้งของวิญญาณวิญญาณคือการรับรู้คือจิตของเราเนี่ยจะเข้าไปเก้าลงในกายเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นพอมันเกิดดับเกิดดับเนี่ยมันก็จะเกิดดับเก้าลงอยู่ในกายของเราเท่าหละมันจะไม่ไปก้าลงในกายของคนอื่นได้ไหม อันนี้เราจะพูดถึงว่าผีสิงมีไห ม, มอ่ะจุฬาจุที น, นี้พอเราเอาพูดถึงตัวเราเองก่อนนะการที่เราดํารงความเป็นคนคุณยังเป็นคนอยู่ยังมาฟังรายการได้เข้าใจอยู่เนี่ยนะพึ่งหูพึ่งอยู่เนี่ยเพราะว่าคุณมีกายคุณมีใจของคุณใจชัยของคุณก้าวลงอยู่ในกายของคุณอยู่ตอนนี้คุณจึงยังไม่ตายแต่เมื่อไหร่ที่กายของคุณไม่สามารถรองรับความอย<ต>ู<ต>่เป็นกายก้อนได้แล้วเนี่ยมันจะเริ่มแตกกันไปแล้วเนี่ยนะใจของคุณเนี่ยจะก้าวลงตรงนี้ไม่ได้ พอก้าวลงไม่ได้ก ok> ็นั่นคือคุณตายเจ้ค่ะคือตายนะพอาะตายแล้วเป็นยังไงไอ้จิตที่มันก้าวลงไม่ได้มันต้องหาที่ก้าวลงวิญญาณที่มันก้าวลงไม่ได้มันต้องหาที่ก้าวลงกุญแจใจ้าค่ะมันจะต้องไปก้าวลงในที่ที่มันพอจะก้าวลงได้เจ้าคือการไปได้กายใหม่ไปเกิดใหม่บางอันเถอะเกิดใหม่ตรงนี้ก็เป็นไปตามกรรมละว่าคุณมีสังขารมีกรรมมาเป็นยังไงคุณก็ไปเกิดเป็นจริงอย่างนั้นอย่างนั้นเจ้ค่ะถ้าคุณทําความดีมาคุณก็ไปเกิดเป็นเทวดาถ้าคุณทำความชั่วมาคุุณกกก็ไปเิดที่่่ตาวมนษ เ, เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตวนรกอะไรก็ว่าไปจค่นะทีนี้พอไอ้จังหวะที่มันจะไปก้าวลงกายใหม่ตรงนี้แหละหนะ้าที่ว่าคนเข้าใจว่าล่องลอยไปออืพอสุดท้ายกายนี้ขาดปุ๊บก้าวลงไม่ได้จะไปก้าวลงกายใหม่ก็เลยคิกว่าวิญญาณเนี่ยเป็นที่ล่องลอยไปตามสังสารวัตรนั้นสังสารวัตรนี้แต่ที่คุณต้องเข้าใจให้ถูกก็คือวิญญาณเป็นของเกิดดับนะมันดับตรงนี้มันเกิดใหม่ไม่ละมันก็ไปเกิดที่อื่นแค่นั้นเองทีนี้ว่าถ้าเหตุของการเกิดใหม่มันยังมีอีก เกิดดับเกิดดับใช่ไหมเหตุของการเกิดใหม่มันยังมีอีกคุณจะต้องไปเกิดใหม่แต่พระอรันไม่เกิดใหม่เพราะว่าเหตุของการเกิดใหม่ท่านไม่มีอืเหตุของการเกิดใหม่คืออะไรคืออวิชชาคือตัณหาถ้าคุณยังมีตัณหามีอวิชชาอยู่ยังไงคุณจะต้องไปเกิดคือคือตัณหาที่เราพูดเมื่อวานคนตใจมันเหมือนยางเหนียวใช่ไหมพอเราจะกระโดดนี้มันมันดึงเรากลับมาอีกแล้วกระโดดนี้ดึงกลับเรามาอีกเราจิตของเราเนี่ยวิญญาณของเราเนี่ยจะกระโดดนี้จากการนี้มันดึงเรากลับมาอีกค ถึงกายนี้จะจะต่อไม่ได้แล้วแตกแล้วตายแล้วมันก็ดึงกลับเราไปกายอื่นก็เลยไปเกิดใหม่จะเกิดใหม่ก็ยังทําแบบนั้นอีกก็ทําเหมือนเดิมจริงเจ้าค่ะคือการเกิดดับของวิญญาณในจิตในกายของเราเนี่ยไม่ใช่ว่ามีครั้งแรกตอนที่เราคลุออกมาจากกันแม่หรือว่ามีครั้งสุดท้ายตอนดับที่เรานอนในโรงไม่ใช่ ม, มันมาตลอดเวลาวันหนึ่งหลายหายครั้งเป็นพันพันครั้งโอ๊ยอย่าพูดเลยเป็นล้านล้าครั้งมไห ม, มที่ว่าวิญญาณของเรา เอาง่ายๆคุณฟังรายการวิทยุอย่างเงี้ยอยู่กว่าจะไปคิดถึงแม่คิดถึงคนนู้นคิดว่าวันนี้ต้องทําอะไรอันนั้นวิญญาณเกิดดับหมดแล้วนะอืมจ่ไปคิดเรื่องนั่นคิดถึงอเมริกาไปแล้วอเมริกาไม่ใช่ไปนะดับจากตรงนี้ไปเกิดที่นู้นดับจากที่นู้นลืมไปละมันเกิดที่นี่ต่อเดี๋ยวไปคิดถึงกรุงเทพคิดถึงที่นั่นคิดถึงที่นี้คิดถึงเรื่องอดีตคิดถึงเรปัจจุบันมันเกิดดับหมดเลยอือเธป็นเรื่องของการเกิดดับจิตเอาทั้งนั้นดับจากตรงนี้ดับจากการรับรู้ทางหูไปเกิดที่การรับรู้ในอดีต ดับจากการนับรู้ในอดีตปุ๊บไปปรุงแต่งเรื่องที่เป็นอนาคตไปคิดถึงว่าเราจะคุยยังไงคุยกับใครโทรศัพท์ไปที่ไหนไปเล่นไปหมดดับไปเดดับเกิดเกิดดับๆงี้ไม่ใช่เป็นของที่ท่องเที่ยวไปอันนี้ต้องเข้าใจให้ถูกที่พิสูจสาติถามนี่เป็นประเด็นที่ดีมากแล้วก็ไอที่บอกว่าเกิดดับเกิดดับแล้วมันดับจากกายนี้ไปก้าวลงในกายอื่นได้ไหมนี่ก็พุทธกำลังจพูดถึงเรื่องผีสิงนะผีเข้าผู้เข้าส่งอ่า อันเรื่องที่น่าสนใจยกตัวอย่างง่ายๆสามีภรรยาคุณติดใ จ, จรักกันมาก่าอแต่งงานกันแล้วก็มีลักษณการกอยู่นะสมบูรณ์นะสมัย น, น, นี้ขอีจริงก็ปรากฏว่าสามีนี่หึงหวงภรรยามากค่ะทุกส่วนของร่างกายของภรรยานี่ฉันจะเป็นเจ้าขอบยกตัวอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นปรากฏว่าภรรยาเนี่ยคือคือจิตของสามีเนี่ยนะเข้าไปก้าวลงยึดถือร่างกายของภรรยาทั้งหมดโดยความเป็นของเก่าเจาค่ะ คืเขาก็ไปยึดตือแล้วนะก็ปิดก้าวลงในกายของปริยาแล้วนะด้วยความสําคัญผิดของเขาใช่ใช่ด้วยความที่เขายังมีอวิชามีตำหนะอะไรอย่างปิดปิดอยู่เจ้าค่ะปรากฏว่าเขาไปทํางานก็หึงอ่ะว่าไม่ให้ไปทํางานคุย ก, กับชายหนุ่มคนอื่นก็ไม่ได้จ ะ, จะจี๊ดจะแบบมีปัญหาหรือห่วงเค่ะแล้วเขายึดถือแม้กระทั่งแขนของปริยาว่าเป็นของเขาอืมค่ะเข้าใจไหมยึดถือกายของปริยาว่าเป็นของเขาใช่หนุ่มอื่นจะมาแตะต้องมาพูดคุยมามองมาเดือมองไม่ได้ เข้าใจไหมอันนี้คือเราพูดถึงคนยึดถือในคนนะเจ้าค่ะอ่านี่เราพูดถึงคนยึดถือในคนเป็นไปได้เจ้าค่ะเพราะฉนั้นกายทิพย์อื่นๆที่จะมาถือครองร่างนี้เนี่ยโดยความที่เขาจะมายึดถือเอาเลยก็สามารถทําได้เออเจ้าค่ะนึกออกเนาะอย่างบางโมดีอย่างที่ภรรยาไม่ยอมเจ้าค่ะภรรยาไม่ยอมก็ต้องถ้าสามีมีความสามารถเขาจะบังคับภรรยาให้ยอมได้เจ้าค่ะเธอต้องทำตามเชินสั่งเจ้าค่ะก็มีนะเราก็เคยเห็นในลครน้าเน่าหลายๆเรื่อ ปัจจุบันก็คงมีชีวิตจริงก็คงมีเจ้าค่ะทีนี้ว่าพอเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยนี่เป็นตัวอย่างที่ดีที่ว่าอ่กายทิพย์เขาจะมายึดครองกายนี้โดยความเป็นของเขาได้อืถ้าเรายอมเจ้าค่ะสมมติภรรยายอมสามีเขาก็จะต้องมายึดครองกายของเธอได้ท้งเที่ยงที่สามียังไม่ออกจากกายของเขาเลยนะแต่สั่งภรรยาเติมทำอย่างเงี้ยเธอย่กุยคนนี้นะเธอเราทําำงี้งั้นสั่งได้แต่เช่นเดียวกันกายทิพย์เขาจะมายึดครอง ร่างทรงนั้นโดยความหนึ่งของเขาได้ถ้าร่างทรงนั้นยอมคืออย่างที่โยมได้ยินนะเจ้าค่ะบางทีเราเนี่ยไม่ได้หรือว่าคนที่โดนผีเข้าเนี่ยเจ้าค่ะไม่ได้อยากให้ผีมาเข้าเลยแต่ว่าที่โยมได้ยินมาอย่างชาวบ้านเราจะบอกว่าเพราะจิตเราอ่อนนะเจ้าค่ะก็เลยเข้ามามาแบบเหมือนมาเข้าเราได้เพราะที่เขาที่เขายอมเนี่ยที่คุณยอมเัาเนี่ยเพราะคุณไม่มีสติไงจิตคุณไม่มีกําลังอ๋อไม่มีกําลังและมีกําลังในการที่จะต่อต้านเจ้าค่ะกําลังของจิตคุณจะเกิดมันจากไรต้องมีสติเจ้าค่ะคุณต้องมีสติ มีสติอย่าไปตามมีสติไปตามปุ๊บจิตคุณมีกําลังจิตคุณมีกําลังคุณไม่ไปตามใครก็ได้ก <Okay. S 2> คุณเลือกได้ว่าจะทําหรือไม่ทำท mm, <okay. S 2> ีนี้ว่ากระบวนการตรงเนี้ยมันก็ต้องอาศัยความฉลาดของทั้งสองฝ่ายหมายความว่าคนที่จะบังคับเนี่ยเขาต้องมีกุศลบายทุกอย่างบังคับให้เธอยอมไม่ได้ ไม่พูดดีๆก็ใช้ไม้ออดไม่ไม้ออดกไ็ไม้แข็งไม่แข็งก็ปืนเจาอหัว <laughs> หรือพูดดีๆมันมีทุกกระบวนการเพราะฉะนั้นร่างทรงคือกายทิพย์เนี่ยเขาจะมาถือร่างทรงนี้เป็นเจ้าของเขาจะมีกระบวนการทุกอย่างในการที่จะบังคับให้ร่างทรงนี้หยอนไม่ได้จุกค่ะซึ่งนั่นก็เป็นกรรมที่เขาจะต้องเกี่ยวข้องกันนะอย่างสามีภรรยาคุณมีความสัมพันธ์กันมาอย่างนี้ก็เป็นกรรมที่คุณจะต้องเกี่ยวข้องกันไปจุกค่ะหน้าที่ของเราคืออะไรเราก็พยายามที่จะ อยู่ในสิ่งสมาธิปัญญาเราก็ไม่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นเราก็เป็นผู้มีสติอยู่ตลอดเราก็จะรักษาตัวเองให้ไดนะ้ไม่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ที่ไม่ถูกต้องตามที่พระเจ้าสอนเจ้าค่ะเจ้ า, จาค่ะมีตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งคุณใจอย่างเรื่องความยึดถือเรื่องของการที่จิตไปก้าวลงอย่างเงี้ยเรื่องวิญ ญ, ญาณเนี่ยมันจะมีประเด็นที่ว่าแล้วอย่างอย่างต้นไม้อย่างเงี้ยตึกรัง่านช่องเนี่ยมีวิญญาณไหม เราเชื่อว่ามีนะเจ้าค่ะว่ามีผีบ้านผีเรือนอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะไปอยู่อะแต่จนะเจ้าค่ะยึดถือด้วยความเปนเจ้าของเจ้าค่ะหรืออย่างต้นไม้อย่างเงี้ยต้นไม้เล็กๆไม่ต้องต้นไม้ใหญ่ๆเจ้าค่ะในดอกกระต้นหนึ่งอย่างเงี้ยตั้งอยู่ในกระถางบ้านหน้าบ้านเราเราเพิ่งปลูกเมื่อเดือนที่แล้วอย่างเงี้ยมันเริ่มโตขึ้นมาได้มีวิญญาณไหมเจ้าค่ะเออเป็นสัตว์ที่ มีวิญญาณมีจิตมีวิญญาณไหมออวิญญาณเราทํำการวิจัยแล้วนะคุณแตจ่ายว่าเป็นของเกิดดับเป็นของที่เกิดดับไปก้าวลงไปยึดถืออย่างนี้ได้และนี่คือหน้าที่ของวิญญาณคือการรับรู้คนะทีนี้เราพูดถึงตัวอย่างที่ว่าวิญญาณอของสามีเข้าไปยึดถือร่างกายของภรรยาหรือความเป็นเจ้าของค่านเด็กคนหนึ่งเขาก็ไปเล่นเล่นไมาราบอย่างเงี้ยไมายาาบมันมันเคลื่อนไหวได้แล้วเขาก็มีความสุขมากเลยเล่นไมายาลบเขไปแตะมันก็จะโฮอานิยมก็เคยเล่นอย่างเงี้ยทีนี้เขา จิตของเด็กคนนั้นเนี่ยวิญญาณของเด็กคนนั้นเนี่ยนะเข้าไปก้าวลงในในไมราฟเล่นกับเขาใช่ไหมโดยยึดถือว่าไมราฟนี้เป็นของฉันอืม mm, เมื่อไหร่เนี่ยเด็กคนนื่นมาเล่นบ้างเนี่ยเขาจะไม่พอใ émie, จออืมเจ้วจะไม่พอใจแล้วแสดงว่าไมราฟนั้นเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยมีวิญญาณกรองเป็นของที่มีวิญญาณกรองมีวิญญาณของเด็กคนนั้นเข้าไปยึดถือกรองโดยความเป็นของตนออค่โ <fi. S 2> ต๊ะนี่โต๊ะนี่เป็นเป็นของฉัน วิญญาณของฉันยึดถือครองโต๊ะนี้มีวิญญาณของฉันเนี่ยก้าวลงในโต๊ะนี้แล้วโดยความเป็นของฉันเจ้ค่ะไปยึดถือว่าเป็นของเจ้าใช่ผู้ทวิจนะที่บ่งบอกถึง อ, อสิ่งตรงนี้ก็คือว่าสังขารที่มีวิญญาณครองก็มีสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองก็มีอืซึ่งตรงนี้มันเป็นขณะขณะบางขณะรถที่เขาขายตามร้านอย่างเงี้ยยังไม่มีจิตของเราวิญญาณของเราการรับรู้ของเราเข้าไปยึดถือครองเจ้ค่ะก็เป็นของที่ไม่มีวิญญาณครองแต่เมื่อไหร่ที่เรา ควักเงินซื้อออกไปมันมาจอดอยู่ในบ้านเราแล้วนี่เป็นของที่มีวิญญาณกรองน่ะมีวิญญาณของเราเข้าไปถือครองเอาอจุกค่ะนี่ก็ตัวอย่างของเรานะจุกค่ะทีนี้เราไม่รู้ว่าวิญญาณคนอื่นมันจะไปถือครองสิ่งไหนล่ะอืมจุกค่ะในในปากกาอนี้อาจจะมีวิญญาณจิตทิพย์ของใครสักคนหนึ่งมาถือครองเอาไว้ด้วยความเป็นของเขาจมั่วใบนี้อาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะแม่นาคที่กรองด้วยความเป็นของเขาอยู่เราไม่ทราบ เข้าใจไหมแั้นมันก็เป็นสิ่งที่สามารถซื้อครองกันได้ออืแล้วมันก็เกิดเกิดดับดับเปลี่ยนแปลงได้เดี๋ยวนี้อาจจะเป็นเมื่อก่อน อ, จจนอาจจะไม่เป็นเมื่อก่อนอาจจะเป็นหรืออาจจะไม่เป็นมันมันเป็นไปนได้หมดเพวันเราจะทํายังไง ร, รักษาตัวของเราให้ใ ห, ให้รอดในสังสารวัตที่มีกระบวนการอย่างนี้เกิดขึ้นพอเราเข้าใจระบบการทํางานอย่างนี้เราจะสบายใจกับตัใจว่าเราก็มีสติอยู่เรื่อยๆปฏิบัติตามศีลมีอะไรที่ไม่ถูกต้องเราแก้ไขเอา แต่ถ้าเราไปถูกต้องของคนอื่นแล้วเราก็ทําคืนตามทําคือสมมุติเราทําผิดไปแล้วอย่างเงี้ยพุชาร์าบอกว่าคนที่ทําผิดไปแล้วคุณก็แค่ไขให้มันถูกก็แค่นั้นเองก็ถือ<จ>ว่า<จ>เป็นผู้ที่เจริญที่มาได้ออย่างบ้านอย่างเรือนคุณบอกว่าตรงนี้มีเทวดาเข้ามาถือครองในความเป็นของเขาอยู่<จ>ใช่ไหม<จ>อ๋อเราก็ไม่รู้นี่นาไม่เป็นไรเราก็อยู่ร่วมกันยังมีความสุขนะมีบุญกุศลและกทศลให้กันอย่างเบื้องต้นนะเราก็เข้าใจระบบนี้เราก็จะอยู่กันได้มีความสบายใจคือมันไม่ใช่ผีอะไรที่มันจะแบบมา แหกอกเราฉีดเลือดฉีดได้เป็นแบบในหนังอันนั้นจินตนาการอไปคนละเรื่องนะคก็เลยสรุปให้ฟังอย่างนี้ให้เข้าใจให้ถูกนะสรุปตรงนี้ในเวลาที่เหลือตรงนี้นะคุณเดินแจ้ว่าวิญญาณเนี่ยแปลว่าการรับรู้การรับรู้กิริยาที่รับรู้ได้มีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นเรียกว่าวิญญาณนะแล้วก็วิญญาณนี่เป็นของเกิดดับไม่ได้เป็นของที่ล่องลอยท่องเที่ยวไปไม่ใช่แต่เป็นของเกิดดับดับจากตรงนี้ไปเกิดอีกที่หนึ่งไปได้ นะประการที่สามที si way, onder, ่ต kind of so, ้องเข้าใจให้ถูกก็คือว่าการที่ยึดถือครองของวิญญาณวิญญาณเนี่ยจะต้องไปก้าวลงในสักอย่างใดอย่างหนึ่งตัวมันเองอยู่ตัวเองไม่ได้มันจะต้องไปก้าวลงในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นมันอาจจะไปยึดถือโทรศัพท์ยึดถือบ้านยึดถืออะไรต่างๆเป็นของของมันได้อย่างตัวเราขนาดนี้วิญญาของเรามันยึดถือกายก้อนนี้เป็นของเราข้าวที่คุณกินเมื่อเช้าเนี่ยมันเดี๋ยวม่กลายมาเป็นมือเป็นเท้าของคุณนะแล้วคุณถูกยึดถือละ จ้าค่ะอย่างนี้เป็นต้นเราเข้าใจให้ถูกอย่างนี้แล้วเราก็จะมีความเขาเรียกว่าสบายใจในเรื่องของสังสา ร, รวัตรมีความสบายใจในเรื่องของกระบวนการการทํางานของจิตมีความสบายใจว่าเราไม่ต้องไปกลัวอะไรขนาดนั้นจ้าค่ะถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วก็แก้ไปตามตามระบมาคือถ้าเราพูดถึงมาคเนี่ยมันก็ครอบครุมหมดเลยจ้าค่ ะ, ะถ้าเราเดินตามทางนี้นะเราก็ไปได้แล้วก็อจะมีเขาเรียกว่า สําความสบายใจเจ้าค่ะยมขออนุญาตรดบเรียนถามอีกนิดนึงนะเจ้าค่ะออยากจะทราบว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ได้จัดอย่างไรกับสมององค์นั้นนะเจ้าค่ะที่เมื่อสักครู่ตอนต้นรายการเจ้าค่ะเจ้าค่ะว่าว่ปว่าอย่างไงเจ้าค่ะไล่หนีไปเหลือเจ้าค่ะอ๋อวสวยมากมากเลยคือคือว่าเขาก็ก็คือเนื่องจากว่าเห็นผิดเนี่ยอก็เลยไล่หนีไปอ๋อเจ้าค่ะก็ให้อหน้าซบเศร้าแล้วก็ ไปหนีไปน ะ, ค, ะคือ ค, คือต่อไปก็ไม่รู้ไม่ทราบว่าพี่สุชาตินี้ไปศึกษาใหม่ทําไม่ถูกอะไรอย่างไงี้ยหรือเปล่ า, าในพิสูจนนั้นก็ในพิสูจนนั้นก็พูดถึงแค่นี้ว่ า, าพอพอไม่ถูกแล้วเนี่ยพระเจ้าก็จะชี้ที่ถูกให้แล้วเธอมีความสามารถเธอก็ปฏิบัติต่อไปจนถึงที่สุด ข, ของการปฏิบัติได้อืเจ้าค่ะก็เรียกว่าจะชี้ให้เห็นว่าทางไหนคือทางที่ถูกแล้วก็ขึ้นกับตัวของพระภิกษุองค์นั้นว่าจะ ชื่อถือ<ช>ปฏิบัติอย่างไรต่อไปใช่ไหมเจ้าค่ะถ้าเราไม่เคยผิดมาก่อนเราก็จะไม่รู้ที่ถูกอืมาะถ้าเราผิดแล้วก็ก็ดีให้ให้ผิดนั้นเป็นเป็นครูแก้ไขได้อืเจ้าค่ะ อ่าก็โยมคิดว่าเราสนทนากันมาในช้าวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมนี้นะเจ้าคะ่ะคือวันอาทิตย์ที่ยีสิบห้ามีนาคมนั้นเนี่ยคงจะได้ให้ความรู้นะเจ้าคะ่ะที่ที่ยังมีโยมเชื่อมั่นว่ายังมีท่านผู้ฟังทางบ้านอีกหลายท่านที่เดียวเข้าใจผิดหรือว่ามีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นจิตกระตามิญญาณกระตามผีเข้าสิ่ง<ม>อะไรต่างๆเนี่ยคงจะได้สติขึ้นมาแล้วละเจ้าคะ่ะนะเจนะ้าค่ะก็คิดว่าอถึงเวลาที่จะต้อง นำทั้งบุฟักทางบ้านนะคะกราบนวัตการขอพระคุณอย่างสูงยิ่งแด่ท่านพระอาจารย์ของเรานะคะคือพระอาจารย์ไพภูพรพรีปุณโญท่านพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมเล็กเล้นตามพุทธว จ, จนะของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตํำบลดอนหายโศกอําเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีนะคะแล้วก็วัดนี้ก็จะมีพระเชพระคุณหลวงพอ่อดรสะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระคุณสิรษฐีปภกรนั้นท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ค่ะแล้วก็มีการ อบรมหลักสูตรวิกเลนเป็นประจําทุกเดือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนเมษายนนี้ก็จะมีถึง3หลักสูตรทีเดียวสนใจก็เข้าไปสมัครแล้วก็ดูกันได้ที่เพียวธรรมะ .com นะคะซึ่งก็คิดว่าคงจะทําให้ท่านผู้ฟังทางบ้านนั้นเนี่ยได้เห็นทางสว่างเลยค่ะแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติทำจิตเราไปในทางที่ถูกที่ควรนะคะเห็นจะต้องนํากลาบลากันแล้วราคาเวลาหมดลงแล้วจริงๆพบกันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้าสําหรับช่วงของการสากชาหรือว่าสนทนาธรรมะซึ่งดิฉันจะมาทําหน้าที่แทนท่านผ ทางบ้านกันนะคะสำหรับเชา้าวันนี้ขออนุ ญ, ญาตกราบนรมัสการ์ขอพระคุณแล้วก็กราบนมาสการ์ลาเจ้าขาพระเจ้าขาเรียาสุาเจ้าขา